ซึ่งความฝันข้อนี้พระเจ้าเปอร์เซนที่ก่สอสนก็ได้ฝันหลากห ล, ลากหน้าต่างๆนาน า, นานแล้วละก็แปลกป่าใจยุกก็เลยได้มาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็แก้อย่างนี้เดียวนี้เรากําลังพูดถึงความเป็นนิกรัฐบาลเองก็พยายามที่จะโฆษณาว่าดในนิเศรษฐกิจของประเทศชาติของเราเนี่ยไปรอดเลยแต่ถ้าเรามองดูลักษณะทั่วๆไปของประชาชนชาวบ้านโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ย เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคนที่มีความทุกข์ยากลบาบากเพราะเศรษฐกิจเจริญงูเงืองข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเสร็จเด็กหนุ่มเด็กสาวชาวอีสานเนี่ยเกือบจะไม่มีใครอยู่บ้านอยู่ช่องปล่อยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อซซนแม่ซ้นทั้งหลายเนี่ยเฝ้าบ้านเลี้ย ง, งัูเลี้ยงควายเฝ้าไร่เฝ้านาส่วนเด็กหนุ่มเด็กสาวก็หลั่งไหลไปที่มีโรงงานอุตสาหากรรมการพัฒนานทุกชนิดที่เกิดช่องว่างก้าวกระโดด ในกรุงเทพจึงเต็มไปด้วยแหล่งที่เรียกว่าสลัมสลัมทั้งหลายในกรุงเทพนั้นแหลกคือแหล่งของชุมนุมชนชาวชนบทกําลังดิ้นรนสแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจจึงไปแออัดยัดเยียดกันอยู่ตรงในแหล่งสลัมและในวัดของกรุงเทพทุกๆวัดก็เต็มไปด้วยผ่อนบ้านนอกที่เรียกว่าแหล่งสลัมอีกแบบหนึ่งสลัมเพื่อการดิ้นรนในทางการศึกษา เด็กหนุ่มๆหรือพระหนุ่มเล น, น้อยจากภาคอีสานก็ดีจากบ้านนอกก็ดีจังหลังหลเข้าที่กรุงเทพทั้งหมดนั้นเพื่อหาโอกาสการศึกษาเพราะรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงกันในชนบทและพร้อมกันนั้นระบบเศรษฐกิจโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปแอบอาจจะเกแยกันอยู่ที่กรุงเทพเออยู่ที่ภาคกลางเอยอะไรต่างๆในทางภาคอีสานก็หลังหลายกันไปนู่น หลังแรก็ไปทํางานก็ปล่อยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่ที่แก่เท่าเฝ้าบ้านเฝ้าช่องเลี้ย ง, งัวเลี้ยงควายเฝ้าไหล่เฝ้านะความคิดความหาความเข้าใจประสบการณ์ที่ผ่านพบคนละอันกันในขณะที่ลูกล้านหนุ่มสาวทั้งหลายเข้าไปทํางานทําการอยู่ในกรุงเทพเห็นไฟแสงสีเห็ น, น, หนความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลต่างๆข้างโ น, น้นสิ่งยั่วยวนทางจิตใจทางประส า, าททําให้เด็กนี้คิดใจไฟสูงยากหน่ายากมียากเป็น พ่อกลับมาบ้านเ้าก็นั่งเมาหมองความคิดที่จะกลับเข้ามาสร้างสรงสรค์สังคมชนบทของตอนเองกลับไม่มีมันก็เลยสวนทางกันเดนี้กําลังแกพูดกันไม่รู้เรื่องระหว่างพ่อแม่กับลูกเต้าทั้งหลายผู้กันคนละภาษาคนหนึ่งผู้ภาษาในเมืองอีกคนหนึ่งผู้ภาษาบ้านนอกความคิดความอ่านของพ่อของแม่นไปอีกทางความคิดความอ่านของลูกที่ไปสู่ฮังุงเทพไปทํางานต่างๆนคิดไปเอกอย่าง ในที่สดุดมันก็ น, นับวันที่จะทอดทิ้งบ้านช่องห้องหอจะพัฒนาชนาบทเรียกร้องหาอีสานเขียวเอ่ยเป็นดินทําเป็นดินทองอะไรเอ่ยข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านแดงที่จะหันหน้ามาร่วมกันพกเพาะปลูกแอคเรทันเจอมาสร้างฝังคมชนบทช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของเราเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาหลังไหลกันไปตรงไหนพอจะหาได้อ้าวเกิดพายุกเกทหลมคนที่ตายมากที่สุดกลับไม่ใช่คนปกักใา้ ายเป็นคนภา อ, อีสานนี่แหละที่ไปจมน้ําทะเลตายลงเรือตายอะไรตายเนี่ยเนาะบางแห่งหนาเข้ายิางกว่านั้นนะเอาคนอีสานไปลงลับลงเรืออะไรหาปูหาปลาประมงเนี่ยรองมันเป็นเดือนเป็นเดือนกว่าจะมีเงินมีทองกลับบ้านแต่เสร็จแล้วสิ่งยั่วยวนมอนเมาเขามันมีเยอะบางทีเท่าแก่บางคนในสองถูกยิงสอเป น, นีลงไปถึงเรือเลยไปให้กำลังใจกำลังใจเงินทองหมดกันในนั้นเงินเดือนออ ก, กออกหมดอยู่ที่ ผู้หญิงนั่นมดอยู่ที่เล่าย่าหน้านั่ง น, นั้นกลับมาบ้านไม่มีอะไรพอนมานั่งเมอมองที่จะคิดหาทางไปทํา ง, งานทางภาคต่างทางกรุงเทพโรงงานอุตสาหกรรมไปลงเรือไปดูแหล่เรือปลามืองเอยอะไรต่างๆล่มหายตายไปเป็นเบื่อที่พายุเกตลอบนั้นบอกได้เลยว่าคือคนภาคอีสานมากที่สุดที่ทิ้งร่นไป มีความจนก็จนลงจนลงแต่คนร่ํารวยปีที่แล้วอาจจะรวยได้กําไรประมาณร้อยล้านแต่ปีนี้ที่เรียกว่าเป็นนิจอาจจะขึ้นเป็นห้าร้อยล้านเลยว่าประเมินกันด้วยราคาของกํารนั้นแน่นอนคนที่ร่ำรวยเศรษฐีทั้งหลายก็ดียิ่งถ้าคณะรัฐบาลเนี่ยเต็มไปด้วยบุคคลที่เป็นนักเศรษฐกิจมันก็มุ่งไปที่ทางเศรษฐกิจคนร่ํารวยมันจะไม่มากคือรวยมากแต่ไม่ใช่คนคนร่ํารวยมีหลายคน ก็คนเมื่อกี้ตะโกนนั้นแหละที่อยมากขึ้นได้ยาล้ำรวยมากขึ้นแต่คนยากจนเป็นหนี้เป็นสินจะมากขึ้นทั้งๆที่ผลผลิตท้องถิ่นเกษตรอะไรต่างๆดีมากข่าวปลาอาหารใช้ได้ฝนฟ้าก็าตกพอจะทําไรทํานาได้เงนินได้ทองกันจบแต่ว่าความต้องการมันมีมากกว่าสิ่งที่ได้เรียกว่าอ่าดีมานมันท่วมสัพพลายง่ายๆดีมานมันท่วมสัพพลายในมาเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะ บุคคลเหล่านี้ได้รับการปลุกเร้าทางวัตถุนิยมตามันก็เห็นภาพในนั่งในโทรลาทัพในละครแล้วก็เห็นของจริงอยู่ในกรุงเทพในสังคมเมืองลอนกลับมาบ้านนอกมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันชิดอยากได้มีเงินเท่าไหร่มันก็ระดมทุ่มเทลงไปซื้อแฟชั่นต่างๆอะไรโอ้คนบ้านนอกอยากมีรถมีเรืออยากมีโทรลาทัพมีพัดลมตู้เย็นการบริโภคคือบริโภคทางวัตถุที่เรียกว่า consumer consumer เนี่ย ซอสไส้ที่สังคมบริโภคหรืว่า consumer material คือบริโภคทางวัตถุมากขึ้นมากเกินกว่าที่ได้มากินทางปากไปไม่พอมันจะกินทางตากินทางหูกินทางแกมูปาก็กินข้าวไปตาก็จะดูโทรทัศน์รายการดีๆไปหูก็จะฟังเพลงสเตอริโอดีๆไปจะมูก็จะต้องดมกินอาหารที่หอมหวน แน่ในตู้เย็นในบ้านในจ่องเรามีสปเปรย์ฉีดเย็นเย็นหอมหอมอะไรต่างๆ น, น้ําหอมขวดและเป็นพันเป็นหมื่นสองหมื่นก็ซื้อมาเศรษฐีคนรวยเซลล์มิเลได้อ่านพบหนังสือพิมพ์บาทน้ําหอมชื่อดังเข้ามาในเมืองไทยขวดและสามเหือนบาทคนยิงคุณนายทั้งหลายซื้อมาใช้คิดดูคนละสามมือดีย ด, ดเดียวเดีย ว, ยวซื้อข้าวได้เป็นกระสอบสำหรับคนยากจนอันนี้แหละที่เรียกว่าหายง่ายล้นหาหน่อยบ่อเต็ม คนรวยรวยมากลนน้นแผ่นดินแต่คนยากจนนี้จะว่ายังไงจนกันจิ้มิงมมันไม่มีอะไรจะอยู่จิ้มินเป็นหนี่เป็นสินกันมากมากยกายกองทั้งหมดนั่นแหละเทระวาหายใหญ่ล้นหายหน่อยบมเต็มตามปกติแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปธรรมชาติทั้งหลายมีสิ่งของทั้งหมดไว้ในโลกนเพียงพอที่จะให้คนเราเนี่ย อยู่กันได้อย่างมั่งมีสีสุกแบ่งกันอยู่กันกินคนรวยมากๆแล้วมาแบ่งกันกับคนจนคือไม่เอาเปรียบเราไม่ต้องคหามาแบ่งก็ได้ไม่เอาเปรียบไม่ขูดไม่รีดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะพออยู่พอกินในโลกนี้ธรรมชาติมีไว้พร้อมเพียงสําหรับทุกๆคนแต่ในนี้คนรวยมันกอบโกยมากจนเกินไปฝากธนาคารเมืองไทยไม่พอร์ดบินไปฝากธนาคารเมืองนอก ในที่สกคนรวยก็ไปมีความสุเหมือนกันคนจนก็ไปมีความสุเหมือนกันคนรวยก็เป็นปเปรตติดแอร์คือหิวก็หายหรือกว่าวิมานนี่ก็เปรตเปรตอยู่บนวิมานในห้องแอร์ดังที่ในพระไตรปีดกเปรตแต่วัตถุเรียกว่าวิมานนี่ก็บเปรตเปรตที่อยู่บนวิมานได้มากเท่าไหร่ไม่พออยากจะตายมาเกิดใหม่ให้ให้ทําบุญดีมากๆเพื่อจะได้รวย ขึ้นมากยิ่งกว่าเก่าความจริงนั้นจะเป็นวิมานนี้ก็เปิดอยู่ในเนื้อในตัวในเจตนใจเทมีมากๆแล้วก็หวาดกลัวเพราะไม่ไม่ทราบไปโกงใครมาไปเอารัดเอาเปรียบใครมาโกงทั้งทางตรงทั้งทางอ้อม ท, ท, ทั้งทั้งภาษีทั้งค่าขนส่งหักบวกลบคูณหาลงไปแล้วก็ยังําเมฆมาเอากำไรกับขอนยาคนจนมนมากๆอย่างนี้ มันก็อยู่ไม่เป็นสุขที่พูทิยานบอกว่าเนกาซีระพเตสุขข่ำถูกกอบโยกินเพียงคนเดียวก็ไม่พบกับความสุขเศรษฐีมีเงินเป็นพันๆล้านกินคนเดียวไม่พบกับความสุขในที่สุดไปไหนมาไหนมันก็ยังหวาดกลัวกลัวเขาจะหลอบข่าหลอบยิงกลัวเขาจะล่อมมาจับเรียกขาดไทยในที่สุดก็เลยจ้างมือปืนแห่เป็นขยงขยองเรียวว่าเป็นอสุรกายติดแออสุระแปลว่าไม่กาฮันขี่ขาดหวาดกลัวตายยมูเราที่ขีขาดหวาดกลัว ก็เลยติดแอไปไหนจ่ามือเพืมเป็นขยงถึงขนาดนั้นยังไม่ไายถูกยิงตายวางระเบิดกันตายก็เลยตายติดแออีกเหมือนกัน ทั้งวันนี้เราตกนรกติดแอรเป็นเปติดแอร์ตกนรกติดแออสุรกายติดแอโง่ยัเป็นทุกข์เป็นอ้างเป็นเดลฉานติดแอร์ในข้าวองมนุษย์เรามนุษส์สติละชานุ้มนุษสเปโตมนุษอสุรกายโมนุษยนิรัยโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเดลฉานตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นอสุรตายตัวเป็นมนุษย์จิตใจตงนรกทั้งนั้นที่ราำรู้เว้ยมันตกนรกติดแอก็นได้นี่ที่เรียกว่าใหายงยล่นหายหน่อยบ่เต็ม พความโลภที่มีคนที่เต็มไปด้ยวยความฉลาดขาดความดีขาดความเมตตาไปนาี่มันก้าวเบียบกันแล้วคนนี้โง่เขาโง่งงกันลงไปอย่างบ้านนอกบ้านนาทั้งหลายเนี่ยทำนาได้ข่าวได้ปลาอาหารมาทำบุญสุธรคารทานกันยกไก่แต่สิ่งที่เป็นบุญนิดเดียวจะแจกข้าวแก่ผู้ล้มหายตายไปตาที่ข้าวควายไปตัวหนึ่งราคาห้าพันหกพันจ้างนั้นมาอีกหนึ่งจอ โอ้ยราคาถึงสองพันสาพันหลังแกนั น, นกะซื้อเหล่ามาเลี้ยงกันกินอิม่มแล้วรากออกอาเจียนออกมากินไม่เสร็จแล้วก็กไปทำบุญสร้างซื้อกองบุญมาทำบุญรถเทราพิเศษฮดสงให้แกพระดีไปดีพระต่อไปขายต่ออีกซื้อโทครคัศน์บับงเอาไปซื้อเลขบัง ไม่รู้จะเป็นบุญตรงไหนชาวอีสานเราทำบุญกันอย่างนี้มาเลยจิ๊บค้ายแหวบอดเอาบุญพระเวทชีดึงข่าควายเป็นสิบตัวจ้างนั้งจ้างหมอลำ ม, มูซื้อเหล้ากินสามสิบสี่สิบเทถ้าอย่างนี้หมู่บ้านร้อยหรือสองร้อยครอบครัวคิดแล้วเงินจะต้องออกจากบ้านของตนเองเนี่ยเป็นสินแสนในบุญพระเวทครั้งหนึ่งบุญกระถิน่นครั้งหนึ่งซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทีนี้าหว่าจะคิดว่าการทำบุญชนิดนี้เนี่ย ลองทําให้มันสนุกดูเอาเงินจํานวนที่ซื้อควายมาขา่ากินซื้อเหล่ามากินจั่งนั้นจั่งมอลํามาดูนั่นเลิกมันเอามารวมกันแล้วอามาตั้งเป็นสาวกมูบ้านงาน น, ง น, งนึ่งหเนี่ยเราต้องเสียเงินออกจากบ้านเนี่ยเปน็นแสนเนี่ยลองคิดดูถ้าเอาบุญพราเวททีเงินเสียฟรีฟีไปนี่มีหนาซ้าจังเปโครคภัยไข้เจ็บเพราะเมาเหล้าเมายาขาดไปบีบอยเขา่ขาโคเขา่าตารางกันคอหักตายเพราขี่รถเมามอเตอร์ไซค์ชิ่งเหล่าเนี้เราเอาเงินจํานวนเนี่ย ออกมารวมกันแล้วามาตั้งเป็นสหกรณ์หมู่บ้านซื้อของมาแล้วก็มาขายกันเองตั้งกรรมาการขึ้นเอาราค า, าถูกโๆกันไม่ต้องเอากําไรมากมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรียกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมของตนเองและช่วยเหลือตนเองในสังคมตนเองได้เดี๋ยวนี้เราต้องไปซื้อของกับพวกเศรษฐีคนร่ํารวยทั้งหลายพวกคนที่เริ่มก็รวยขึ้นเมื่อขึ้นนี่ไหายไงมันก็จะล้นไปเรื่อยไหน่อยก็บ่อเต็มเขาซื้อมาสมมติว่าห้าบาท ค่าขนส่งอีกบาทหนึ่งจากกรุงเทพจากโรงงานมาก็เป็นหกบาทค่าภาษีที่ต้องเสียให้ละฐห้าสิบตังเป็นหกบาทห้าสิบเสร็จแล้วเขามาขายแลมันสักสิบาทเนี่ยไปยังไงสิบาทเอากําไรไปแล้วสาบาทห้าสิบคิดค่าขนส่งคิดค่าภาษีที่เขาจะต้องเสียให้รับคิดค่ดา อะไรต่อไะไรเสร็จเรียบร้อยยังมาบวกกำไรเพิ่มเข้าไปเราตายลูกเดียวมีจะแบกแบกทั้งขางคนตรงแบกทั้งค่าภาษีเดียคนที่เขาขายเขาก็ลงทุนซื้อมาแล้วเอากำไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาเอามา ก, มากด้วยเพิ่มทั้งขาคนตรงค่้าภาษีส่วนลดนอะไรเคขาเขาซื้อมากๆเขายังมีส่วนลดจากมีเฟ็กทอรี่จากโรงงานของเขาเนี่ยเพรเหตุนั้นไหายใหญ่หล่นหหน่อยบอเต็หมหาใหญ่เอาหมดทุกอย่างอ่าภาษีเอาหัก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 ในหนังในละคนนนอนอะรนั้นมันสอนอะไรอัานหลายรู้ไหมทะเลาะกันมันก็แก้ผ้ากันไปกอดกันจูบกันถ่าช่างกันก็ชักปืนกันไปไล่ยิงกันฆ่ากันทางเงินั้นมันส่งเสริมกิเลสโลภะโทสะโมหะสังสมอบรมแต่สิ่งเหล่านี้เราก็เลยอยากจะเป็นอย่างนี้สาวรุ่นใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแม่หมายใจปั่มเจิดมีขึ้นผู้หญิงผัวเพอก็ะขายเนื้อขายตัวเล่นผายเล่นให้โลภผู้หญิงเอาแล้วสิ่งที่ตล่าวมาแล้ว พอเห็นนั้นทำยังไงให้หายใหญ่อย่างสิบล่นหายหน่อยจังสิเต็มเราก็ต้องกลับมาหาสู่เส้นทางแห่งศีลแห่งธรรมเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ชัดคนรวยไม่เป็นเศรษฐีใจบนเป็นนายทุนหน้าเลือดมันก็เลยกอบโกยหาใหญ่ก็ล้นคนจนเป็นหาหน่อยแต่ไม่มีธรรมะไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลไม่รู้จักตนไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลาไม่เข้าใจสังคมประชุมชนบุคคลเรียกว่าไม่มีสัพปะบูปุริษาธรรมเจ็ดประการ มันก็เลยบูชาอบายามุกอย่างกรวยทางรัสซื้อเล็กซื้อหัยซื้อไม้ทุกคนเหล่มทารพนันเหล่มทารพนันเอาทางตรงไม่ได้ก็เอาทางอ้อมหัวจุ่มใส่กันทั้งวันแบบวิจัยจ้องจะกินตัดกินไตกินใส่กินพุงกันไม่มีใครที่จะรักกันจริงในวงการพนันนั้นแต่เราก็เจอ้อเมื่อเล่นแท้ไม่ได้สูญเสียขาดทุนมากับรักศกจอกหอไม่มีอะไรจะกินนี่รักกันต้อนกันนากระนาข้าวกดมงกดไม้บ้านเมื่อก็ไม่ต้องเคารพกันละที่นี่อืม ทำลายป่าตัดไม้อะไรตัวอะไรทำยังไงก็เอาเพื่อให้ได้มานีหรือว่าหายใหญ่ล no no mm ่นหายหน่อยบ่อเต็มมันเริ่มจากหายใหญ่คนใหม่มีส like mm ินมีทำเมื่อข้าราชการใหม่มีสินใหม่มีทำมันก็ไปเอาเปียกพ่อค้าค้าภาษีโอ้เก็บภาษีอ่าส่วนพ่อมไม่เก็บซ้ำซ้อนว่าเข้าไปจังนั้นมันก็มากขึ้นมากขึ้นเอาไปเอามาภาษีตามกฎหมายยังไม่พอยังมีภาษีกินบีตั้งตรวจกันจับกันกินกันอย่างนี้เมื่อ ข้าราชการไม่มีสินทำก็เอาเปรียบพ่อค้าพ่อค้าถูกข้าราชการไม่มีสินทำบีขูดรีดทั้งพวกภาษสองภาษีแม้แต่แผ่นดินที่จะขี้ถึงคนโบราณท่งหวานนะมันไม่มีทางกินมันก็มากินคนยากคนจนลองคิดดูสิเอาภาษีเขาเท่านี้เขาก็ไปคิดภาษีต่อสมมุติว่าเขาซื้อมาห้าบาทค่าภาษีหนึ่งบาทสมมตินะแล้วค่าอนส่งห้าสิสตางเป็นอันวัดต้นทุนเนี่ยหกบาทห้าสิบเขาซื้อมาห้าบาท า Finnish, no liebe, BC, ขายอนโซลอีกห้าสิบตังค่าภาษีหนึ่งบาทสมมติเนี่ยถ้าเป็นต้นทุนหกบาห้าสิเขาก็เอามาขายให้คนยากคนจนโดยไม่ต้องเอ็นดูปาณีกันละฉันขายเลยสิบบาทนี่ยังทงที่สุดก็ได้กําไรสามาทห้าสิบอย่างนี้คือเรียกว่าเมื่อข้าราชการไม่มีทำก็ไปเบียดเบียนพ่อค้าเมื่อพ่อค้าไม่มีทำก็เบียดเบียนชาวไร่ชาวนาเมื่อชาวไร่ชาวนาได้รับการเบียดเบียนไม่ทำก็ไปเบียดเบียนธรรมชาติดินฟ้าอากาศอ่ามันแรงมันทุกข์มันยาก อะไรก็ลงไปอย่างนี้มันจะเป็นอีทัพปิยต า, าเป็นกฎอันนี้ส่งไปให้เกิดอันนี้อันนี้อันนี้ที่พระพุทธเจ้าว่าอีทัพปิยตาอันนี้เป็นปัจจัยให้อันนี้อันนี้จึงเกิดขึ้นอมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอีมัศมิงสติอีทังหนาโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นเพราะเห็นนั้นข้อนี้ที่จะว่าไหายเงี่ยล้มหายเงี่ยล้มหายหน่อยบอ่อเต็มนั่นก็หมายว่าคนไม่ม <m> ีส <m> ินมีธรรมคนรวยจะเป็น ไม่เป็นเศรษฐีจะบุญมันจะเป็นนายทุนหน้าเลือดเอาเปรียบคนจนจนหายเงินล่มนิกลงไปกำไรนี่ปีนี้พวกเศรษฐีนายทุนเนื้อร้ายมีกำไรเป็นสองสองร้อยเปอร์เซ็นสามรอยเปอร์เซ็นแต่คนจนทุกลงไปอีกเป็นร้อยรอยเปอร์เซ็นอีกเหมือนกันมันก็จกได้เอาเปรียบกันละที่นี้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อมันไม่มันถูกเอาระเบียบมากขึ้นมันก็รักกันปนกันมากขึ้นอย่างนี้คนนึงก็ คนทำงานทำงานเกือบตายอีกคนนึ่งก็ออกไปลามไปเลียไปส้ำออยเจ้าห น, น้าก็ึ้นเงินเดือนสะกสองพันสามพันเอ๋คนดีดีซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การทานกลับมองค้ามพอคนนี้ใหม่กินเหล้าเมายาไม่สูบุรีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานกลายเป็นแก่ดำกลายเป็นบุคคลที่สังคมไม่เพึงปรารถนาคนดีดีอย่างนี้อย่างข้าราชการบางคนตรงชิ้นจริงๆผูกทูพวกข้างหลายเกลียดฉันหาว่าไอ้หมอนี้มันมันมันมันไม่ดีในความไม่ดีงอเนี่ยคือ เขามีแต่ความดีไม่มีเชื้อให้ความชั่วไปเพาะ อ, อยู่ในใจเขาได้คนชั่วก็ไม่สรรเสริญคนดีอย่างนี้มันก็เลยอุปมาเหมือนหน่วยหน่วยไหที่คนโบราณว่าอุปมาเหมือนไหหน่วยมือนไหน่อยบ่เต็มค้างนนําบ่อขาดมันไม่เต็มอุปมาเหมือนหหน่วยบ่เต็มค้งหนําบตตัดวญาามการไต่เกินว่าวิ่งแลนดมันหักแสนอยากเหยี่ยนเพี้ยนสา่างซอยหน่ายในข้าวนั้นจะมีโจนผู้ไลยซึ่งหยาดของหลวงทั้งกระท่วงเศร้าคุนมุนมีตีพุ้นโจนผู้ไล่ สิ่งหยติของหลวงคำว่าเขาสิ่งญยาดของหลวงอาจจะเป็นโจรผู้ร้ายในคาบค่าราชการก็ได้คอรับช้อนช่อลาบบังล้วงเงินผงเงินพันออกมาในกายเป็นเงินผานกินกันเหมือนกับน้ำแข็งเปือ่อยชนดหยดจึงบอกว่าโจรผู้ร้ายสิ่งหยาดของหลวงท่านกระซ่วงเศร้าขนมุนนี่ตีปุ่นคนเมืองห่อนน่อนตาบอดเหน่วยการเก็บชวยนับตั้งแต่มื่อเสหอนห้อมถอนเขาใส่สาม บ่อให้ยั่งอยู่ข้างทีพินดินดอนทั้งอกรงหน้าสวนหมวนล่องบอมีไหวผ้าสีเกลือผ้าสีไหม่พยายากันตราฟินฮอตขี่ดินบลอคขี่น้ำจิ๋ให้ทรงหลวงจึงว่าให้ปากว่องร่วงหลอกกินไตคือทั้งไข่กินดีมั่งเล่าข้าวนั่นอัศจรรย์นอรนี่กัมมี่เจี๊ยปากข้าวโอเ้เฮ้ยฟงหมูไร่เล่าพี่นองฟังแล้วให้หำห่อนเนธพรั่าแต่คนโบราณ น, นั้นว่าอย่างนี้ความฝันข้อที่แปดขอภัยความฝันข้อที่แปดได้ผ่านไป ต่อไปก็เป็นความฝันข้อที่เก้าซึ่งพ ร, ระเจ้าปเสนที่โกศลฝันเอกทางเก่านะถึงภาษาบาลีบอกโปคลาีจข้อนี้ฝันเห็นสักฝันเห็นสักศักโบคลาีภาษาไทยของเราเรียกว่าศักโบคลานีศะกดอกบัวข้างนอกที่ริมขอบสักนี่มันเป็นท่าน้ําที่ใสสะ แต่ข้างในมันขุ่นขแต่ว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นพรหในข้อนี้คนอโบราณอีสานบ้านเราได้เขียนเอาไว้ว่าข้อที่เก้านั้นองค์พระบาททอนเทาสร้างประหลาดควมฝันอัศจรรย์นในใจจันไดบ่เคยผ่อขอประซ่งท่านเจ้าสร้อยย่างตัดซองในพรอนประเสริฐฝั น, นว่าน้องบวกน้ำทางขุ่นขอบใสมีทั้งมวนดอกใหม่เดือระดับของหอมซ่อมบึงว่างของฝนหลวงเคืองตางจนขุ่นประทัน ความฝันนี่ได้แก่ฝุงคุ้นขาเสน่าสันผู้ใหญ่ใจบอไซหลอบเหลี่ยวเที่ยวส่อแต่ภายเมืองโกงโกงโกงเอาละเอาเปรียบพวกง่ายง่ายพอละมอว่าความฝันนี่ได้แก่ฝูงคนขาเซน่าสันผู้ใหญ่ใจบอไซหลอบเหลี่ยวเที่ยวส่อแต่ภายเมืองทางปากนั้นเพลินเบาเกี่ยเสียงกำมวลข้ามจ่าหาแต่คั้วมาตัวเหงอกินพ่อเหลียว นับเมื่อไก่กันแล้วคือแกวไกลมารัรฐบาลกบฏต่างเทียงหวัดหันปิดเ ป, ปลีป่ยนแปลงเตี๊ยบเหมือนดังน้ำขุนต้มคนกลางวังขุนบ่อฟั่งค่วมขุนมุนมีตีมั่งทะเลาะกันเองขุนกับขุนรัฐมนตรีก็ดีคณะรัฐบาลพอดีมีโอกาสอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจวัฒนนาที่บริหารบ้านเมืองที่ว่าขุนบ่อฟั่งค่วมขุนอยู่มุนมีตีมากงยานไปค้างเมืองหอนะอ่อนนครข้นบนหลวงปัญบายยานไปเมืองเก่าห้าง ไายน่ะ 4, 3, 0, สี่สาบศูนย์วัสัเมืองใหญ่ๆจะร่างลาละมันทะเลาะ ก, กันเองใ ห, ให้เราคิดเดูเถาดว่ารัฐสภาของเราตั้งมาในห้าสิบกว่าปีแล้วคุณไม่ฟังคำคุณทะเลาะบอแวงกันอยู่นั้นยังไม่เคยครบเทอมสี่ปีสักทีหนึ่งถ้าหากชุดนี้ครบสี่เทอมก็แม่นะว่าเป็นบุญเป็นวาสนานนะชุดคนเอกชาติชาชาวันของเราเารานี่ยคนโบาณบอกว่า จานต่ค้างเมืองห่อนนครค้นบนหลวงยานแต่เมืองเก่าห่างไพ่หนาศิษย์สาบสูญหลอกศิเกิดวุ่นเขียวคุณอลาหนปวงประชาชนคุณศนีนางโอข้างโอจักเหม็นกำซังออโอ๋อนอศิภาภไย ไ, ฟไฟัยี่ศิษ่นอยู่ไหนกินหญ้าแตงคุ้ยวะฉันไห้ซึมากินหญ้าได้เหมือนควายเพยังไงนี่จะกเหม็นการอยากดุยตัวอัดคว้ยก็น่านับหลาดสะดอนนอนบมเต็มตาลับก็จนมากการไต่หน่อยหนึ่งเก็บ เอาใหม่อาหารกินสิ่งตอนพ้นละเมืองเดืดหอนนอนเสียงกั้งน้ำเขาและน้ำตำถาว่ากินของอันใดมันก็มีผ้าสีคูโซอันคันเตียงเสียงประชาชนจนหองข้างโอ้ยจังมันอยากปากไปหลายกระหักปากบ่ได้กลัวยานแต่เพิ่นไหมข้อนี้มีความหมายหลายด้านเี่กว่าฝันเห็นสะบอกครณีใสอยู่ในท่าน้ำริมขอบริมฝั่งขอบเนี่ย น้ำใสแต่ข้างในกับคนคนเอาง่ายๆในส่วนด้านวัตถุถ้าเราออกไปอยู่ตามบ้านนอกหอกนะความสงบร่มเย็นความเป็นพี่เป็นน้องความเมตตาบาลีกันอย่างนี้เด็กๆไปอยู่ตามบ้านนอกแต่ไปอยู่เข้าไปลึกๆในป่าทางภูงวัวทางบัน่นโนนสํารานเอ๋ยบัน่นบ้านนี้ยางแดงยางเรียนแถบนี้ใกล้ๆโพงวัวนี่แข็งเพลิงบึงของหลงเพลเซกาเนี่ย แถมนี่น่าประทับใจถ้าเรานั่งรถไปเห็นพระพิสูจนั่งรถไปับไปฝนตาลบเด็กเลิกโรงเรียนมาเห็นพานั่งอยู่ในรถนั่งคลุกเข่าลงกลางดินพนมมือไหว้แม่เห็นแล้วดีใจปลื้มน้ำตาจะไหลออกให้ได้ว่าเด็กเหล่านี้ดีงามเหลือกเกินแต่พอหันไปดูผู้ใหญ่เสร็จทีเดียว ผู้ใหญ่ไม่ต่อคุณงามความดีให้แก่เด็กเด็กแกริยน ม, มาอย่างดีในที่สุดก็มาเสียหายผู้ใหญ่โว้ยกินเหล้าเมายาสมลเปรย์เมาบ้านในป่าในเขาไม่มีไฟฟ้าเข้าไปเอาแบตเตอรี่ไปตั้งเอาทีวีมาตั้งในวันเสาร์อาทิตย์หัวจุ่มใส่กันเล็ดมวยตูกไปเวลาใดเห็นกินเหล้ากันอยู่อย่างนั้นอ๋อเห็นแล้วสมเพรเวธนาแต่เด็กๆนั้นดีมากเด็กๆ เ, เปรียบสเสมือนขอบฝั่งเหมือนขอบฝั่งสัตโตมาเหมือนตรนกลางของสัก พระยาประสันทิโกศนฝันว่าไม่นะฝันฝันเห็นสระน้ำทางนอกมีสดใสข้างในก็ขดข้นตอนเป็นเด็กดีงามมากเห็นพระทรงทองค์เจ้าเคารพกราบไหวย้ยำเก่งแท้ๆฝุ่นตลบกบตลาด น, นั่งรถผ่านยังนั่งคุกเข่ากราบไหว้แต่ผู้ใหญ่ไม่เอาไหนเลยทั้งหมดนี้เลยว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพองอย่างที่ที่วัดนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้กําลัง มีเด็กมาอยู่ในวัดเยอะๆอยู่ในป่าในวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กมาสมาทานอุโบสถทศิลป์ น, นีน่ยศิลปศิล8เด็กสมาทานศินลป์แโรงเรียนชั้นปสามถึงปสปห้ า, าอาจมาคิดเห็นทางประเทศอินเดียเขามี For รสต์สกูลห School f o r เรสคือโรงเรียนป่าพวกชาตศาสนาฮินดูศาสนาพาราหมณ์เดี๋ยวนี้เขายังรักษาพิธีที่เรียกว่าสกูลฟอ o รสต์แล e วฟอเรส School คือโรงเรียนป่าเขาเอาเด็กโตอายุ ป, ประมาณสิปี อย่างนี้เข้าไปอยู่ในป่ามีครูบาอาจารย์พวกฤาษีพวกนักบวชนักพรตเป็นผู้แนะนําัฒน์สอนอบรมกริยามารยาทต่างๆเขาเรียกว่าโฟร์เลยสก o ลโรงเรียนป่าเพื่อจะให้เด็กของเขาเป็นเด็กที่ดีซึ้งทราบอยู่กับธรรมชาติเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนไม่ตื่นเต้นล่องลอยกับวัฒนธรรมแห่งวัตถุนิยมเรียกว่าให้เขาเกิดลักษณะที่เรียกว่า p l a นรีฟิ i n g ทิงกิ้งเดี๋ยวนี้ที่วัดอาดามาเนี่ยมีจํานวนมากแล้วเป็นยี่สิบแล้ว เด็กโต เ, กเล็กน่ารักพ่อแม่ไม่มาไ ม, ไม่เป็นไรพอเลิกโรงเรียนก็พากันมาแล้วพากันมาวัดวัดไปอยู่ในป่าไกลๆมาถึงมีอะไรก็กินข้าวหลังจากนั้นก็าถูสางราทําสะอาดอาบน้าอาบผ้าพระเนนเปลี่ยนกันเป็นครูบาอาจารย์แนะนำพมัมสอนฝึกกิริยามารยาทเช้ามาพระตื่นขึ้นเด็กก็ตื่นมาด้วยมานั่งสมาธินั่งเนยน้อยเด็กมันก็นอนหลับนอนหลับก็ยังดีกว่ามันดึกพอพระถนารราส่วดมนตอนตีสี่มันก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์อีก สพออสว่างมากอบมาทําสะอาดศาลาทําสะอาดที่อยู่อาศัยหลังจากนั้นก็กินข้าวสามมณีที่เลี้ยงบางทีพระส่วนมากจะเป็นสามเณหนึ่งข้าวหุงข้าวปลากระป๋องไปเทศม์มาตรงนี้มาเลี้ยงเด็กด้วยแล้วก็เลี้ยงพระเลี้ยงเลยเด็กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยล้างหุ่นล้างชามเตรียมอาหารใส่เป็นโต้ก็พร้อมกันมากราบมากราบเรียบร้อยแล้วก็เดินไปโรงเรียนเอาอาหารไปกินด้วยตกเย็นก็กลับมาทําที่อย่างนี้ แล้กลับมากันคือกลับมาอ่านหนังสือทําการบ้านในวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กเหล่านี้กินข้าวเวลาเดียวเหมือนกับพระกินในกาลังังอันเดียวหนุ่มข้าหอมเขาวสมาทานศีลแปดแล้วก็พากันหัดทําวัดสวดมนต์สวดมนต์แปลอะไรต่างๆแล้วแต่พระเนรท่านจะสอนให้อย่างนี้เรียกว่าสกู o ฟอเรสต์หรือว่าฟอเรสต์สกโรงเรียนป่าซึ่งาศาสนาพร า, าหมศาสนาฮินดูเขายังรักษาประเพณี้ไว้อยู่ดยานี่คือเราต้องการปูพื้นฐานให้ดีอย่างนี้เรียกว่าข้างนอก เหมือนขอคุณที่เรียกว่าสระน้ำเนี่ยทางทางริมทางนอกของมันเนี่ยมันสวยงามมันใสแต่ข้างในมันขุ่นข้นเดี๋ยวนี้ตอนเด็กๆเราสามารถที่ทำให้สดใสได้แต่แก่มาไม่แน่โตมาไม่แน่ พอสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้วเขาเมืองล้วงดูนั่งดูละครไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมแฟชั่นใหม่ๆเกิดขึ้นเด็กเหล่านี้ก็จิตแตกไก่เพยทั้งหญิงทั้งชายไม่เจอฟังพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระบบวินัยทำยังไงจะให้น้ำในสระเนี่ยมันใสตลอดจะเอาสารซ่อมลงไปกลวนมันทั้งสระ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 นี่เรียกว่าข้างนอกสะนั่นข้างนอกใสแจ๋วเลยแต่ข้างในมัน ข, น ข, นขนุนค่อนเสียงคนโบราณท่านผู้หญิงเนี่ว่าข้างนอกมันสดใสข้างในมันขุนขน้นทีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันเห็นนําเป็นอย่างนี้ในบ้านในเมืองก็เหมือนกันตามบ้านนอกบ้านนาอกสงบปล่มเย็นอากาศดีสบายแต่ถ้านั่งรถเข้าไปถึงเมืองเขตสุขาพิบาลเนียยิงเหม็นกลุ่มเลยไม่รู้เหม็นอะไรตัวอะไรมันขนมันเยอะเองเขตเทศบาลก็ยิ่งเหม็นใหญ่ หลายลองคิดดูเดี๋ยวนี้ในป่าหอมในเมืองเหม็นในป่าในบ้านนอกเย็นในเมืองเราร้อนไปในกรุงเทพหายใจไม่อิ่มดกปังอับปังอับเลยบ่บนบนอนยี่คือป่าเนี่ยแต่มาไปชิวไม่ได้สึกสามวันโอ้ยตายแน่แต้องออกมาเดี๋ยวนี้เมืองใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นก็ดีเขาได้ซื้ออากาศหายใจแล้วนะในโรงงานอินดัส tri ใหญ่ๆเนี่ยเขามีถุงอากาศให้หายใจปานดมกาวเลยไหนแต่ที่เขาจะมาอยู่ประเทศไทยหาซื้อดินซื้ อ, อยากอะไรต่างๆในเมืองไทยของเราเนี่ยทั้งหมดนั่นคืออะไร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 มีแต่ความที่จ้องจะเอารัดเอาเปรียบกบขีความเห็นซึ่งกันและกันข้าราชการจเจ้าใหญ่นายโตทั้งหลายได้ศึกษามาอย่างดีบางคนมีสิ่งมีทหนาโงนาแกว่ธรรมยังไงน้อยจะช่วยประเทศชาติบ้านเมืองก็เลยตั้งชมรมงานขึ้นมาพยายามที่จะช่วยแต่ถึงขนาดนั้นก็ไม่เพียงพอส่วนมากยิ่งได้รับการศึกษามาดียิ่งฉลาดในการที่จะเอาเปรียบปากหวานอย่างดีแต่เสร็จแล้วมันกินกันทั้งขึ้นทั้งลองอย่างนี้แหละความฟันอันนี้จึงบอกว่าข้อที่เก้านั้น ฟันเห็นที่สระมันมีแต่ความใสข้างนอกแต่ข้างในมันขุ่นขน้นที่ว่าวันฟันวัน้องบวกน้ำกลางขุ่นขอกใสมีดอกไม้เดรดดาดดวงหอมซ่อมบังวัาางวันหลวงเคืองกลางจนขุน่นข้นความฟันห น, นิดได้แก่ขุ้นได้แก่ฟุงคุ้นขาเซนาสันปูใญ่ใจบบไซหลบเหลี่ยวเที่ยวสอดแต่ภายเมืองเจใวใหญ่นายโตจิตใจอย่างหนึ่งแต่คําพูดคำจาเป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็ะช่อโกงคอรรับชั้นช่อลาดบังหลวง เนี่ยเป็นอย่างนี้เอาละข้อนี้ก็ควรจะต้องผ่านไปเวลาของเราบีน้อยข้อที่สิบข้อที่สิบภาษาบาลีว่าปากกังปากั ง, กงแต่ว่าไม่ได้หุ้งทําให้สุกข้อที่สิบ อ, อ, องพระบาทแจมเก่าฟันประหลาดเลือล้อไหลฟันเห็นฟุงควนไส้กอไฟหุงเขาพ่อเมื่อเตาไฟหอดฟื้นท่อนเที่ยงฮุ้งหม้อเขาฮุ้งเดือดกลุ่มสุ้มเขาใส่เตาบาัดว่าเลี้ยวบนเขาล่างบนบัชสุข ล่างบอนแป ล, แปลไฟลุกจีล่นดำปีองค์พมุนีเจ้าสรลัญตัดซองบาว่าข้องเหี้บ่านพ่ายหนาสีเสื่อมสูนยหลกสีเกิดเดือดหุ่นเคียวคุณม่วมมองค้นผู้เป็นขุนบ่ทำตามคันล่องยองหญีตีป่นเอาแต่บุญไัยได้ทำไปห้อยยางบอกว่าทางเส้นเขาค้นเถ่าบอนะ่อไต่นึ่พอเมือสังกาล่า โดนตำลงไปมนุษย์ในแดนดินบ่อเทียงสั้นหันเก่ยงยิงบอ่อนิเยียงหยาดผัวโตปล่อยจมฟังอารมณ์เรื่องเบาเกินเข่าพานหุบ เ, เดิอนปีก็เคือนข้าวนาหนาวห่อนเป็นน้ำสังคานขวอนเดิอนปีบ่คือเกาองค์พระพุทธเจ้าห้องว่เหล่ามากต่อไปหอดเดินหาฝ่าลวงเดือนหกฝนบ่ตกห้วยห่ำปาดงพ่งออดล่อไปถึงเดือนเก่าหนาวมาฝ่าลวงมีดตะลมลวงต่อกปินปิ้วเปียงปินไป เป็นน้ำโรกของเฮาไก่ขอนเคริงศาสนาเคริงขวัญศาสนาพุทธมนุษย์กวนโลกากางวันโลกคนเฮาขอนพากันซ่อมดูทอนขั้นบกคือคุม่มพระองค์ว่าไก่ว่าศาสานาของพระพุทธเจ้าเฮาท่วนหากเสียนเจ้าเอ้ยอันนี่คนเวลานั้นพูดอย่างนี้นะพืดอย่างนี้ท่านเขียนไว้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าถึงซึ่งในใ น, ใ น, ในภาษาบาลีบอกว่ า, าปากังอาปากังนั่นหมายถึงว่านะ หุงข้าวไม่สุกหุงไม่สุกคือพระเจ้าประเสนที่ก่อสนดนฝันเห็นขนข น, ขนหนึ่ก่อไฟขึ้นแล้วก็หุงข้าวข้าหม้อเดียวนั้นงานสุกสุกดิบดิบแล้วก็มีบางเกาะแฉกบางก็ไหมเลยทีนี้ไหมไปเลยดำไปปีไปเล ย, เลยคนคนบบราณท่านกันเลยเล่าให้เราฟังว่าอากาศจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปคนไม่อยู่ในสินในธรรม คนทั้งหลายก็จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันหลังจากนั้นฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลบางแห่งจดตกจนท่วมท้อนอย่างที่บ้านกระทูลของเรานั้นตกจนแผ่นดินภูเขาหังทลายทับกันตายทั้งบ้านในทางภาคอีสานฝนตาหลบกอบตลาดไม่มีน้ำที่จะให้งัวให้ควายกินอะไรพวกเนี้ทั้งหมดนั่นก็คือว่าคนเราไม่มั่นคงในสินในธรรมสังกาลำ่ำตนต่าลงไปมนุษย์ในแดนดินบอเทียง สันหันเก่งยิงวายำเยิงหยาดคว้าโตปล่อยจมโอ้ยิงก็ไม่กลัวผู้ชายเดี๋ยนี่จะหน่งกางเกงทำอะไรมันเป็นผู้ชายไปหมดไม่กลัวทั้งนั้นฉันก็ทำได้ไหวเนี่ยฟังอารมณ์เริงเบาเกินเถ่าพันหัวฟุงหมูอาตาศกัวเปลี่ยนปิ้นเวียนหัวอากาศกัวเปลี่ยนปิ้นเปียนเวียนหันวันเดินปีเคียนข้าวนาข้อนเป็นน้ำสังคันขอนเดินปีบือเก่าองค์พระพุทธเจ้าเข้าว้าเหล่ามาอันนี้ท่านได้พูดว่าถ้าท่านไปเปิดพระไตรปีดกในเรื่อง ทรมิกระโสตก็จะได้พบที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องคนไม่มีศีลมีธรรมมันสั่นสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าดินน้ำไฟลมไปดูสังยุตธ์อังคุตระนิกายท่านจะได้พบท่านบอกว่าสุริยะันทิมาปริวัตันติวิสมังพระอาทิตย์ประจำก็จะหมุนเวียนไม่สัมม์เสมอสังขารขอนเดินปีบกขึเก่าในทันวัย ว่าตาวายันติวิสมังปริวัตตันติลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี่เป็นอย่างนั้นคนเราไม่มีศิลมีธรรมยิ่งเปกว่านั้นไอ้คาที่เรียกว่าฝันเห็นหมอ้อข้าวสุกๆดิบๆบับงแห่งก็ไม่บังแห่งก็แชะ เอาความพอดีหายากเดี๋ยวนี้ถ้าจะดูคนเราในสังคมนี้มันมีคนประเภทสุกสุ ก, สกดิบดิบประเภทไม่เกลี่ยประเภทที่เปรเียกแฉะ <c oughs> เรานี่ยังยังมีให้เราเห็นบางคนก็ดีดีแต่ก็มีน้อยแต่ส่วนมากมักจะเกินดีไปอย่างนี้มันจึงมีคนเปรียกเปียงแฉะแฉะดิบดิบสุกๆุกบางแห่งก็ไม่เกลี่ยเอาใกล้ๆมาแม้แต่ในเรื่องราวของทางศาสนาของเราก็เหมือนกัน มัาดูพระสองฆ์องค์เจ้านักการาศาสนาก็เมือนเหมือนกันมีพวกเปียกเปียกแฉะพวกไหมจนเกลี้ยมก็มีอีกพวกหนึ่งก็ดิบดิบุกซุดูอย่างหนึ่งมันดีแสนจะดีแต่อีกอย่างหนึ่งมันเสียหายพระสองฆ์องค์เจ้าของเราในบางแห่งเกาะมันเปียกแฉะเปียกแฉะคือวัดโอ้ค่อยอยู่ดี มีสุขที่สุดแล้วก็หย่อนยานที่สุดในประธรรมวินัยไม่สนใจนะขอให้ฉันได้อยู่ได้กินฉันเช้าเอ็นฉันเพนนอนตกเย็นมาดูนั่งดูละครโทรทัศน์วันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มเข้าใส่กันนั่งนะข้าวทิ้งประธรรมวินัยไม่สนใจเขาให้คนได้ก้าบได้ไหวมีอยู่มีกินไปบันบหลอกลวงชาวบ้านไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สุขละดิบดิบสุกสกเปียกแช่อีบางแห่งก็ไม่เตรียมเลยจริงิงไม่เตรียมเลยบางแห่งก็ไปสุดตรงแข่งจนข้าง อาว ล, ลองทองลองท่าใหม่ใส่เงินท้องใหม่จับพวกเนื้อพวกปลาอะไรไม่กินฉันกินมังซสวิรัตหลังแก น, นกับจะอมตีกันสา์เสียเทเสียพวกอื่นเป็นยักษ์เป็นมารไปหมดฉันดีคนเดียวในที่สุดมันก็ไม่ไม่อย่างนี้เรียกว่าไม่กัน็ปเลย แล้วก็ได้ทะเลาะ ก, กันหละที่นี้เหมือนข้าวหม้อเดียวกันนั่นเนี่ยศาสนาเดียวกันพวกหนึ่งเคร่งจนข้างพวกหนึ่งหย่อนจนยานเปียกแชะไปหมดเลยพวกหนึ่งไม่พวกนึงก็ดิบดิบสุกๆุกเอความพอดีพองามก็คือความสุกพอดีไม่เปียกไม่แชไไ่ไม่ไม่ไม่ดิบดิบสุกสุมัน ส, สุกพอดีกินได้มัชชิ ม, มาปฏิปทาความถูกต้องสายกลางมันอยู่ตรงกลางนั่น เราช่างหายากเย็นกันเลยเกิดอันนี้คงจะเข้ามาทางนี้เราทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าข้อเนี้มันจึงเปรียบเหมือนข้าวในหม้อเดียวกันเนี่ยเข่าล่างบอลบอลหั่นโสมล่างบอนแปวไฟลุกจีล้นดั่มปีกอาจารนองค์พระพุทธมุนีเจ้าสซลัญจันตสสองบอกว่าคล้องเ e a t บานไพ่น่าซีเสื่อมซูลเห็นไหมล่ะห้อง heat นั้นก็คือจารีตมันจะเสื่อมซุน บางแห่งไม่ไหวเลยพระพุทธหลบอิทหินปูนทรายไม่ต้องกราบไม่ต้องไหวไหวทําไมดอกไม้ตกเหรียนไม่ต้องเอาสิเอาไปเอามาภาษาบาลีไม่ต้องว่าภาษาไทยเราไปเลยเอาไปเอามากดแปลกันเอาเองว่ากันไปเองอย่างนี้อย่างนี้แหละที่เรียกว่ามันมั น, ม, นมันไม่จกเลยมันดำปี้เลยที่ว่าไฟลูกจีร่อนดำปี้องค์พระมอนี่เจาะสัญญาณตัดซองบอกว่าข้องหตบบานไพ่น่ะสีเซียมศูนย์หลอกสิเกิดเดือดอบุ่นเขื่อนคุณมั่วมอง คนผู้เป็นคุนบอ่อห้ำตามคันล่องยองหยี่ตีปนเอาได้บุญเพล่ได่ทำไปห้อยยางบอกว่าทางเสียงเขาค้นเถ่าบอ่อไตนะ้าแน่เกิดสัตวธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นต่างกันเป็นกกเป็นเราเป็นโมเป็นกณะหน้าเกิดปูทุชนแข็งเมืองขึ้นมามันเคยเกิดมาซ้ำซ้อนอยู่บ่อยๆและในประเทศไทยเรายัางกบทผีบุญผีบาปที่บ้านตาือกุศก่เมืองอุบลราชธานีตการพืพ้นของเราสมัยก่อนโน่น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 พราะเห็นนั้นอย่างไรก็ตามเราควรจะแดดรับฟังจะไดพิจารณาศึกษากันต่อไปลอบไปถึงเดือนเก่าหนาวลมมาฝ่าหลวงมีดเธอลมหลวงตองปิวเปียงปินใบเป็นน้ำโลกของเฮาไก่เคืองขอนตาสธนาผุธมนุษย์กวนโลกาโลกคนเฮาห่อนภากันซ่อมดูถอนขันพวคือนคว่ำพระองค์ว่าใกล้วางศาสว์ธนากองพระพุทธเจ้าเฮาถวนหากสี่เห็นเจ้าเอ้ยประชันเอาแล้วนั้นเรารีบๆกันหน่อยเวลามันจะไม่พอ มันยังเหลืออีกตั้งหกข้อเนี่ยเอามาดูข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สิบเอดนี่ภาษาบาลีว่าจันทนังจันทนังไม้แก่นจันข้อที่สเนั่นพระก็ฟันเห็นทอนใหม่แก้วแก่นจันแดงของมีล่าคาแพงคาสูงแสนตต๋อเขาก็เอาไปสื่อขายกินเหลกไก่เอาจันแดงงัดใส่กระเสือสาสหน่อยหน่อยแค้นหอยเจียวขายอันนี่แล้วเพิ้นว่าผ้ายหนาผุนไก่ขอนสาสนาุธ มนุษย์มีโลหะเหมิดมัวกลัวเหมืดมั่วเมากลุ่ ม, มสุม่มพูดถือสินสา่างเป็นจูว่าเจ้าหัวเบาวเห็นผู้สาวเล้วเอินเสื้นเบาดังสาหายออกจากหันสองสิเป็นผู้ไล่ขายสาตนาพุธเอาประรมลงหมดใจกินสินจา่างทั้งเป็นตึกเป็นหกักขายกินปิ่นไปเอาปรผสมพระวินัยงัดไตกระเสื้อกะสาโต้นผาเที่ยวขายว่าสิ่งนี้ตอนเวลานันว่าอย่างนี้จังเป็นเหวนเห็นตอนหายขายหูพ่อพระองค์สงบอถือวินัยไผ่เมืองบอยำยัน มีแต่คนผ่านกาโลกาเขียคุณาศาสนาเกิดบุญศูนเสามนทลายสงสิเป็นผู้หายคล้ายาศาสนากูสัพพนิวลิ่งเห็นนายสะอางพังหายคันวากายเปนหน า, าศาสนากรงเข้าเ<ค><ณ>จิงจีฟื้นขึน้นไม้หัวสั่งยังจะฟื้นนะสุดลงไปแล้วในยังจะฟืน้นเมือม่อเมือม่อเมื่อว่าศาสนาลวงเหล่ให้แววข้นลืนลังขังนั้นแล้วคนติดยอยู่เป็นซุกหายจากโล่ฆ่าทุกหลอกไผ่สิไภภกเหนือไผผู้ ยังแหมเหือดเห็นทางฝ่ า, ฝาลวงขั้นจะได้ผลจากบวงเว้นห่างไกลฟุงมุ่มาน บ, ะบาะใบเมื่อหนาอยู่กระเสริม<ช>เริ่มแต่เข่าเดือนสี่ปีกุลไม่รู้ปีไหนปีกุลเดือนสี่าะฉะั้นไม่รู้พอสอรอไหลคนโบราณว่าภัยภูมีบุญหลายจึงสิ่ข้องค่อยเห็นนอพุทธทั้งเดือป่าให้พากันถือสินหาภาวนาเดือดแม้ยังจะเห็นจึงแถบว่ามีเว้นห่างไกลในช่วงนี้ประวัติศาสศาสนาจะได้ตกต่ำช้า เลวสามลงมาแล้วจึงจะเกิดมีคนดีขึ้นมากรอบกู้พุทธศาสนาจะเจริญรุง่งเรืองที่ฟันเห็นแก่นกันแดงคือของเป็นราคาแพงที่สุดเอามาใส่ใส่ตะกร้าไปเที่ยวขายแก่นกันซันเดิลวูดราคาเป็นกิโลละสองสามเื็นเมืองนอกที่เขาซื้อกันนะ่นะอันนั้นพระพุทธเจา้าท่านเปรียบเทียบ ว, ว่ามนุษย์เต็ ม, มด้วยความโลภพระสอ ง, องค์เจ้าจะทาตัวเองเลวสาม จะมีลูกมีเมียจะเล่นหัวยอกเกินกับสีกาดังที่เราจะเห็นสามีนั้นสามีนี้ดังออกมานอกจากนั้นก็หลอกลวงเป็นมานปรป่นราษนะวะอะไรล่ะเครื่องลงเครื่องลาดอะไรมีให้เราเห็นหลังจากนั้น oh. เขาจะ oh. Oh. เอาธรรมะเนี่ยไปแลกจ่ายขายกินอาตมาเคยได้ยินบ่อยๆนะบางครั้งบอกโอ้ยอาจารย์สมพรนี่ยไปนิมนต์ท่านใหม่มาอย่างน้อยต้องสามพันเคยได้ยินครูบาอาจารย์บางแห่ง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 จะตายแท้แท้ยังยกคอนั่งขึ้นมาเทศเอกว่าอมันทยามีโวพิคเวปติเวทะยามีโวพิคเวก็จะมายาทรรมา ส, สั่งขาราประมาเทนะสัมปาเทหิเนี่ยเราขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายสังขารทั้งหลายมีความเตื่นภัยสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยาได้ประมาณยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมนี่เป็นวาจาเครื่องพัสอนของเราในครั้งสุดท้ายท่านเทศจนตายจะไม่ได้กันเทศสักบาท ทำไมเราจะต้องไปเทศเอาแต่กันเทศกันเทศนี่เข้าใจผิดคิดว่าโอ้ยอาจารย์ถ้าพบนี่จะต้องสามพันขึ้นไปเคยมีที่ไหนพระสงฆ์องค์กจ้าที่แท้จริงไม่ต้องมาจ้างคันดอขอให้ท่านมีเว ล, เวลาแต่อย่ามายั่นเวลาไปจากวัดสมบทสะนะิละ อันนี้ไม่ฟังเสียงเลยวันไหนก็จะเอาต้องเห็นใจศาตนานั่นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมวแต่ประเทศสอนชาวบ้านพระสงฆ์องค์เจา้าอยู่ในวันขาดความอบอุ่นว่าเวเดียวด้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ไม่ได้ใกล้ชิดในมันเสียหายหากบ่มันที่พลาดตนปรุ่มตายก็อยากจะกราบแหละอยากจะกราบลงกลางเทบ้าวปลายตีนนู่นแหละขอร้องวันที่หนึ่งถึงวันที่เส็บนั้นไม่อยากให้นิมนต์ไปไหนเลยอยากจะให้ได้อยู่ ที่วัดได้อบรมพระเน้นได้ค้นคว้าประทำวินัยไต่ปีดกแล้วก็ได้ทำสมาธิภาวนาแบ่งเวลาให้บั่งอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากขอให้เข้าใจว่าไม่จะไปเทศเอากันเทศนันเถอะบางก่อนไปเทศในเมืองเลยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวยกคันไปหาแพ่เทศขอร้องว่ามาให้ไม่ได้มาเอาทําลายสมาธิผู้ฟังผู้เทศเสียงเยงินเสียงทองติ่งกังติ่งกันนั่งฟังเสียดีกันเทศที่ดีที่สุดคือตั้งใจฟังด้วยความสงบรำงับพินิพิจารณาไปตาม มิฉนั้นเราจะได้ขายาศาสนากันกินดังที่ฟันเห็นเอาแก่มจันแดงใส่ตะก้าไปเที่ยวขายนี่เล้วหินแหกลรับเกิดเป็นหนวยแกวพิล่าเข็มคาสีแพ่งจวงจันรข่คของหอมมีคาน่นเที่ยวส่กาซาคือเบียยเที่ยวขายมันใช้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านก็นเลยบอกว่าสงสิเป็นผู้หายขายศาสนาพุดเอาประธรรมลงหงุดกายกินสินจ่างตักเป็นตึกเป็นห่างขายกินปิ่นไปเอาประโสดพระวินัยหยัดเตะกระเซาะกระซาโตกส้นผาเที่ยวขายเดี๋ยวนี้คนต้องการเทปมากบันทึกเทปไม่ทันดอกแล้วอยากเข้าเจาะบาที่นี่ขายเทปนะถ้าท่านไปซื้อในตลาดเทปเฉยๆนี่ไม่มีอะไรเนี่ยราคายี่สิบาทยีสบสองบาทอย่างเทปพวกกอนป่าราคา ยีอดีเอีเอ็กสิเนี่ยราคายี่สิบสองบาทที่วัดเราไม่ได้ขายเราให้ท่านเอามาแลกเราให้ท่านเอามาแลกแต่ถ้าหากท่านไม่มีเราเราก็มีที่มีก็คือเงินที่ทำบุญมานั้นเองเราก็ให้ยี่สิบาทนั้นคิดดู ว, ว่าค่าอัด์กค่าทายอะไรต่างๆแรงา ง, ง, งานก็ไม่มีอย่างนี้ ไม่ได้ทำเป็นเชิญผ่านนิตจะทำเป็นเพื่อการเผยแพร่พุทธศาสนาท่านทั้งหลายลองคิดดูกอให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหาเครื่องมันพังไปก็อาศัยจิตใจผู้ที่มีบุญนั่นแหละจะเป็นผู้ช่วยส่งเสริมจะมีท่านที่เขา้าออกเข้าใจซื้อเครื่องน้อยๆมาให้ถ่ายอะไรอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาสาธุ ก, การถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ทันพวกอารชีทั้งหลายโฆษณากันโครมโคลมโคลมหลอกกินตับกินไตาชาวบ้าน เดี๋ยวก็เอาศาสนาเนี่ยมาบังหน้าขายลูกประคำขายดอกไม้ถูกเทียนไปทัวนิพพานเสริมะเนสะเนสริมมงคลตัดกรำตัดเว้นนั่นเองเอาปรทธรลงหมดจ่ายกินสินจั่งตั้งเป็นดึกเป็นห่างขายกินปิ่นไปเอาประโสดพระวินัยเัยี่ใส่กระเสิร์กระโโซ่าโต้โซนผาเที่ยวขายไงไหมจังไม่เห็นตอนหายขายโห่เผ่าพระ อ, อ, องค์สงประถือวินัยภัยเมืองประยำหย่ามีจฉก่อนผ่านกาโล ก, กาเขียวคุณศาสนาเกิดบุญซูนเสามุนทลไลสงสเป็นผู้หายขายศาสนากูสพนุลิงเห็นนายสานพังห้ายว่าทัน เดี๋ยนี่ขายหูบพูไปก่อนแล้ยนะเนี่ยแต่ก่อนเรายังไม่เคยมีพระพุทธรูปขายเดียวนี่ไปเที่ยวขายพระพุทธรูปอย่างไม่พอขายศาสตร์เหลวขายศาสสนากินขายน้โมกินแหลวขายโตน้าอีกขายโตหลอมมาเป็นเลี้ยนเป็นอะไรอ้าวขายกันบูชากันแพงๆโอ้ยคินละขนาดสมเพจเวทนาอีกเหมือนกันที่อาตมาเนี่ยเคยเคยทํารูปถ่ายของตนเองไว้นะไม่ใช่ขายเอาไว้พอเราเราไปจ้างเขาทํามา เพื่อบางคนมันมันมีปัญหาหลองอยู่เลยอยู่นี่มีจดหมายเขียนมาแล้วเขียนมาเชิงชู้เชิงสาวก็มีซึ่งเหม่เคยพบเคยเห็นไม่รูมม้มาจากไหนรุ่นมาจากชายภูมิบุรีลำเอ้ยบอกอย่าลืมนะคําพูดกันที่ที่เนี่ยแมงแม่คาพูดนี้ก็ยังลืมซะแล้วอย่าพูดอย่าลืมนะคําพูดกันอยู่ที่ปราสาทพนมลุงว่างนันตอนที่จะลงจากรถจําได้ไหมหลวงพี่พูดอะไร สงสัยจะต้องมีคนเอาเอาชื่อไปขายซะแล้วหว่าฉันนี่แหละคืออาจารย์สมภพมีจนไม้มาบ่อยๆบางทีบอกคนคนขับรถเขาเคยบอกว่าท่านเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มีอย่างโน้นอย่างนี้จริงไหมอย่าอํานะแน่เมือนกับเรานี่มีรถมีเรือเห็นนไหมมันสับสนเหลือเกินอาดามาก็เลยถ่ายรูปตนเองไว้เพื่อว่าใครที่จะอยากจะรู้จักแล้วก็กลัวจะลืมนะรูปนึงที่เขาเขาเอามาเป็นรูปถ่ายปอกแผงสามสิบบาทแล้วก็ให้แค่แค่ทุนเท่านั้นะ ไม่ได้ขายได้เคยอะไรดอกต้องการกันความสับสนถ้าจะพิมพ์แจกเลยก็ไม่มีเงินอย่างว่านางก็ให้เข้าใจอย่างนี้เดียวนี้พวกเรามันเป็นกันอย่างนั้นก็เลยทำให้เกิดมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศาสนานั้นเสื่อมลงในยุคนี้จะเสื่อมมากในเมื่อขายศาสนาเอาประทำวินัยไปขายขายูปขายรอยค้ายตนเองเนี่ยขายนโมกินแหลวขายโตนาอีกขายนามโอคือขายคำเตะคำจ้อนไปลังแสงนั่นก็ขายโตพิมพ ออกมาเป็นปัม๊มออกมาเป็นเหรียญเป็นเลินอาแล้วที่เนี้ยหลุดโน้นรุ่นนี่ขึ้นมานี่มันจะยุ่งไม่ใช่พูดเอาเองนะเนี่ยมีในสูตรในธรรมคนโบราณท่านเขียนเอาไว้ที่บอกว่าสงบอถือวินัยภัเมื่อประยำยาติมีแต่คนผ่านกาโลกกาเขียวคุณาศาสนาเกิดบุญศู น, ศนย์สอบมุนตะไลสงจะเป็นผู้หายคล้ายาศาสนากูสัพญูลิงเห็นนายสะอานทางหายนั่นว่ากายไปหน า, าศาสนาของเฮาจังสีฝืนขึ้นไหมาศาสนา ที่ที่ที่ลวงแหลวให้แว่วขึ้นลื่นหลังห ม, มายความว่าเมื่อมันเสริมแล้วจะมีคนมากอบกู้ขึ้นมา มีคนกล้าขึ้นมาคนดีแห่งกรุงศรียุธยาผ่านไปคนกล้าแห่งรัตนกโกสินทร์พูดจริงทำจริงขึ้นมาตายแล้วก็เสามีแห่งพูดความจริงขึ้นมาอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีอันในดนนนงามค่อยพูดค่อยจา ก, กันขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะมีคนเห็นอกเห็นใจกันมาเข้าอกเข้าใจก็จะมาช่วยกันครั้งนั้นแล้วคนเสด็จอยู่เป็นสุขหายจากโลคฆ่าทุกโลกให้สิไกเหนื้อไผ่ปุยย่งแหมเนื้อเสียนทางฝาหลวงคนเสด็พ้นจากบ่วงเวน้นหายห่างไกลฟงูงมุมั่นบาปใบเมื่อหนาอยู่กระเสริม เริ่มแต่เข่าเดือนซีปีกุนไพรผู้มีบุญหลายจังเสี่ยข้องคอยเห็นนอนพุดทั้งเดือบปากให้เจ้าพ้ากันถือสินหาผ้าวันหน้าเดือบแหมยังเสีเห็นเพียงแฉผูมีเวนห่างไกลวาสเดะเอาละพานไปเวลามันจะหมดแล้วต่อไปข้อสิบสองอย่างอีกว่า อ, อย่างหลายข้อนะอยังแต่หาขอบข้อที่สองนั่นพระญาญายเปรเสนสร้างฟันเห็นดิมิตเหมือนนอนตอนเสารฟันเห็นหมกักน้าเต่าล่นจม ลงสมุิใหญ่เลยบลัยลองข้นจมผืนหลดบอ่อฟูซิบสามขอ้อ1ิบสามข้ออีกข้อหนึ่งห น, นัฟันวาหินอยู่น้าก่อนใหญ่มันฟูเบิงมันฟูในของลองลองลงในน้าลองลงไปไตอุปไมส้สองข้อสมกันเป็นข้อหนึ่งหมากน้าเต่าของมันฟูผัดเราจมลงผืนบาดวาหินใหญ่ฟ่งล้อยน้าดังซาโน องพุโทโธเข้าแปสั่งมาจ่าต่างการจักมาพายหนาคนาพวกพลาลสิเลขึ้นเป็นใหญ่ฟุ้งมุ่คลนบาปใบสิเป็นเจ้าหนังเมืองคนผู้รูกข่าวเรื่องในสูดรข้องรรมกรรมสิมีมาถึงสิตำล่องเป็นหน่อยศาสนากูข่อยถอยไปไกลสิเคิงเขาไปถึงวางนัน่นสิหันปิ่นเปลี่ยนแปลง แม่นว่าคุณผู้หน่อยสิเป็นใหญ่มีหยดปรากฏในแดนดินทินท่อนและเนตตังให้คอยฟังดูทอนขั้นบนจิงคือจังความเป็นว่าใกล้ระหว่างศาสนาของพระพุทธเจ้าเห้าถ่วนข่อนกาเสียนอันนี้ข้อนี้ข้อที่สิบสิบสองสิบสามมันตรงกันคือมันมันมันกลับกันได้หว่า หินหมากน้าเต Roc ่าหน่วยหน่อยหน่วยแหงเนี่ยมันอยู่บนบกทับเกิดเป็นคลองนักจุ่มจมล่องเผือกศิลากรอนกระดานหินนักหมื่นกับสิร้อยหลอมหนาฟูขึ้นจังสโน่พ่อสีสอยสิบิญย่อยหักย่องให้สกับจองขึ้นแถมสอนทรงตรงใบม้าจริงจอกสีได้ขึ้นนั่งไปคําคุ้มโยธาภัยพ่นทั้งข่ายฮงคำผายเว้ฮาเฮินเมกสิมันบหนอกไหเป็นแหล่งให้แกกาตอนนี้พูดให้มันเร็วหน่อยกลัวเวลามันจะหมดตะก่อนคนดี จะไม่ได้มีอำนาจเขาจะไม่เลือกไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่สองหมู่คณะคนเด็บมีสินมีธรรมเจ้าจตำต่อยพาละ ล, ะลอยเจ้าเฟื่องฟูสุชูศักดิ์สีคนซื่อถือพระเจ้าเขาจะเห็นเป็นคนโ ง, ง่เง่าเต่าล้านปีคนช่วดตัวกาลีคนอั ป, ปรีเป็นคนดังหมาจิงจอกนั่นก็คือคนโกงเอสคันนิงเอสอฟฟอโกงเหมือนสุนัขจิงจอกอาปาให้นกกรยางเอาก้างออกจากคอแล้วก็งับกินหัวนกกรยางด้วยทําคนบูชาโทษฉลาดแกมโกงไม่มีฉลาดและประกอบด้วยคุณงามความดี ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคันนิ่งไปบอกกลมฉลาดโกงไม่ใช่วิชดอมคือปัญญาที่รอบรู้ทั้งดีทั้งฉลาดด้วยไม่โกงใครช่วยเหลือกันถ้าอย่างนี้เดีนี่มันจะมีพวกนี้จึงเรียกว่าน้ำเต้าเฟื่องน้ำเต้านเานี่ยจะจมเห็นเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมคนภาคกลางเขาเราว่าอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้เอาละเราผ่านไปข้อนี้ท่านนร้ายก็พอจะมองรู้มองเห็นกันจบนี่ข้อที่สิบสี่ คอนึงนั่นฟันวะเอียนอยู่นหําแนงนายว่างตมนี้ไปชมผู้พาปลาดอน น, อนหลี่เสียงสน่หมั่นหาแขนน่อยให้แขนจองอีกอย่างหนึ่งฟันวะข้องบวกหนานางนายว่างตมฟันเห็นงูเฮากลมลงขาบข้หน้ากบจองอางง่อข้อนบเขียดจะหน้านาไหวฟุ้งโมูทําท่านให้ขอเป็นสหายเสียวกลับหมูเขียดบักแอเพนแสดงบอกไปไปหน่าให้คอยซ่อม เดี๋ยวนี้ห้อมเขาไก่ขอนขึงสาปธนาผดมนุษย์ในแดนดินบ่อเทียงถ้าพันเหลี่ยวมีแต่การครับเขี่ยวสิ่งกันหยาดไผ่พ่นผู้เคยเป็นไงสิแต่ครับดาวหนาม่านหน่อมต่อภัยพ่นไผกันนี้บ่พ่นโลกเปลี่ยนเวียนหมุนผู้ใหญ่เปใหญ่เอ้ยซ้อมบังเดอปีกุนบนคุณพ่ายซอยอันวเด็กนุมหน่อยถ้าละกาเกิดใหม่สิได่เป็นใหญ่จำเร็่การาฟานฝ่าเป็นหนาไขยักหัวเด๋วนาวาสาันตรงนี้ ภาษาลาวเขาว่าอย่างนี้หลังจากที่บอกว่าฝันเห็นพวกน้ำเต้าน้อยภาษาบาลีว่าลาวูนิสีทันติน้ำเต้าแห้งลอยน้ําต่อมาสิลาปลววันติหินนี้กับจบต่อมามันทูกิโยกันหะสเปคิลันติภาษาบาลีหมายถึงว่ากบเขียดน้อยประหองอ่านโค้งสารเหตุแห่งงูเ่าผิด เนือกกวัวเ ก, ก, ก่งยันกาังสุวรรณปุริวานยันติหลังจากนั้นห้องค้ำผายเวหาเหินเมดนบหนอบไหวเป็นแหล่งแก่กามาเป็นบริวารให้แก่กาหนุ่มชิงทําตบาบ้ายแม่บักดำกลมกลาซื้อโค้งนบหนอบไหวขนางหน้าเลือกหมูสับปันอันนี้ต่อมาเทอมกบเขียดน้อยประห้องอ่านขอ้งสารเทต ง, องททู้เผาผิดเนือ ก, กวัวเก่งยัอันเนี้ยพูดยังไงว่าคนกลุ่มน้อย คนกลุ่มเล็กๆจะสามารถสร้างพลังขึ้นมาแข่งแต่งขึ้นมาสั่นสะเทือนอำนาจของรัฐบาลให้ว่นกลัวเด็กนล็กๆประชุมกันเดี๋ยวเดินกระบวนเรียกร้องไอ้นู่นอันนี้เอาง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้คนเราจับกลุ่มกันขึ้นมาคณะนั้นส้ำนักโน้นส้ำนักนี่เล่นเอารัฐบาลและกับพระสงฆ์เจ้าปวดหัวกันไปตามๆกันเอาไม่อยู่เมื่อมันรวมกันเข้าเนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะที่เราเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ทุกวันนี่เียกว่าคดีประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยมันเข้าทํานองที่ว่ามันทูกิโยกันหัสเปคิลันติ ก็บเขียนหน่อยพของอา่านโค้งสารเท็ดในงูเผ่าผิดเหีืยกลัวเก่งยันนักปราชญ์อาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีครูบาอาจารย์ที่มีสิ้นมีธรรมบันของท่านก็ขี้เกียจทะเลาะขี้เกียจจะพูดกับพวกปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดามีทิฏฐิมีมานะยอมไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ที่นี่แข็งกล้าขึ้นมารวมตัวรวมพลังกันขึ้นไวเท็ดนี่ทำยังไงก็เลยหวาดกลัวกว่าที่จะเอากันลงมาได้ค่อยเิดขึ้นคอแล้วยังไม่พอหันหลายลองคิดดูเธอเรื่องราวอย่างที่ มันเกิดมันเป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อคนไม่มีมีศีลมีธรรมที่ชัดเจนมองอะไรไม่ไม่ชัดเจนเนี่ยมีอะไรถูกใจตนเองก็เข้าเยวาวสิ่งนั้นมันถูกต้องมันดีมันงามหาคําตอบให้แก่ตนเองไม่ได้ไปพบแร่งคําตอบที่ถูกใจตนเองก็เลยมีแนวร่วมหนึ่งสองสามคนมาก็จะตั้งเป็นกลุ่มเป็นสํานักขึ้นมา สำนักต่างๆในศาสนาพุทธเนีเกิดขึ้นมาแยกตนแยกตัวออกจากการปกครองของเทระสมาคมก็มีการเกิดขึ้นประกาศปกครองตอนเองเป็นนิกายใหม่ขึ้นมาเลื่อนกันมาเอาวแหล่ที่นี่นิกายใหญ่ๆโดยเฉพาะทางเทระสมาคมคมการศาสนารัฐ บ, บาลกสั่นสะเทือนกบเขตหน่อยประห้องอ่านข้องสารเห็นแต่งูเเพ้ผิดเนื้อกลัวเก่งย่านหลังจากนั้นผู้รักผู้ใหญ่ที่ มีอำนาจวาสนาบางทีก็เห็นดีเห็นงามด้วยกันเลยเข้าเป็นพระเป็นพวกก็ยิ่งมีพลังขึ้นจงอางงอข้อนบเขียดจะน่านั่มไหวผู้มูทำท่านหายเป็นขอเป็นสหายเสียวกับมมเขียดบักแอ๋เข้าหนาหักสี่เห็นแน่เห็นไหมล่ะงูทำทานงูสามเหลี่ยม ซึ่งมันเก่งๆมีอำนาจวัฒนาบางทีเนี่ยมีอำนาจวัสนามีภิสิทธิ์อิทธิธพลเพียงพอเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็เข้าไปร่วมหัวกันเข้าไปอย่างนี้ที่คนโบราณบอกว่านู้ิ่งทําตาบ้าไห่แม่บักดำสีกลมขาวเสื้อโคงนอบๆนห บ, นบขนาดเนื้อมูสามนเห็นไ เนแสดงบอกไว้ไปหนาให้ค่อยซ่อมเดนิวห้อมเข้าไปคขอนเกลิงศาสนาผลมนุษย์ในแดนดินบ่เทียงถ้ำหันเหลี่ยมี่แต่การขับเกี่ยวซิ่งกันหยาดไภัยญาดคว่ำเป็นใหญ่คนบุคเคยเป็นใหญ่เสด็จครับเาตาวหน่ามานนอมต่อไผ่พ่นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่ยกตนขึ้นมาเป็นผู้วิเศษแล้วนี่เก่งกล้าขึ้นมาต่ความอะไรขึ้นมาแปลกันขึ้นมาเองอย่างนี้ถูกต้องอีกทางสัจจมค่ะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นเพชรอย่างนี้ท่านจะว่าอย่างไร อุปโลกตนเองมาเป็นพระอรียาเจ้าซะแล้วทีเนี้ยเป็นพระอรียาเจ้าผู้เด่นดังเป็นพระโซดาบันศกยธาคาอาณาคากันขึ้นมาได้กว่าพระอริยาเจ้ากับชาติมาเกิดพระอรหันต์มาเกิดเอ้าวแล้วสิทีเนี้ยยุ่งกันใหญ่แล้วซ่อมบังเดอร์ไพน์หนาพุ่นไพน์สวยหากสิเห็นอันวเดชลงหน่อยค่ละกาเกิดใหม่สิแด่มาเป็นหญยสําเร็จการฟันฝ่าเป็นหน้าใข่หยักหัวเดนว่าา น, นานคนโบราณว่าเอาขันไปเวลาเรามีน้อยข้อที่สิบห้า ฟันว่าของเข่ากัวนอ่นหวมหั่นกาศาสนาโคโดมรวงไปพ้าสอยอันว่าฟูงสาวหน่อยสกุล น, นั่งแน่วนอสิเดกม้มหน้าหม่อมงอนงอดต่อผู้ใส่ในข้าวนั้นจะมีโจนผู้หายหยาดหม่อมสิ่งนา่งสาวสนมในปางสิเรนนั่ใส่สู้เหมือนด่างงูเขี้ยวหายอย่างนอนค้อนสอดไก่โว้ยซ้อมไปหลายหักสี่ขอจอหนันต่อกุ้งมาทันผ่านไปเฉลยเรียบร้อยกว่ามันจะหมดเวลาขอสิพกฟันว่าเสือโครงขนเข่ากัวขะน่ า, นาสัตฝูงง่วงฟัน หลัดแลนส้นต้นไข่อันนี้ที่ราวลาภัรับเพื่อคงน้ำหน่ายไหวขณะเหนือมอหมูสับนันการซื้มาภายหนาคนพวกมหาราชาท่าประเทศใหญ่ๆซีได้มาย่อนๆะนั่มก่นไัยพ่นแอกซีได้พลาก่นนี้จากข้อควยคือดังกลวยตันแล้วสีครังม่อนหรือม่อนข้องนครไผยไหวบ่มีใจรยีหลบลยพระเจ้าท้ายบอกไว นี่เปลี่ยนศาสนาต่อไปอีกข้างหนา้าไก่ขอนศาสนาพุทธคนซี อ, อกันตายดังหินการแก่งแตงสินี้การขังไก่ขังคุณหน้าวอกบ่อสื่อซ่อมเป็นลายนับมือพอ่อเนี่ยมหน่องเขาสูวนในข้าวนั่นศิศีลื่นขําสอนลูกว่า ม, มียําเยงพอแมตุนขันถ่างการศีมาไพ่หนา้าข้องพระสถานกอดเสียคอยสิต่ำข้นบอยำเยียงหยาด ด่างผ้ากันกาะดาเทียงนับแต่มืองเสียเสียงมดนอนแนวกษัตริย์เป็นพระสงฆ์กับบวตามข้องวัดแห่งพระองค์สอนไหวนับมือไก่กันแล้วว่ามันแก้วเสดเอิญสัสงไห้ฟู้งมุทให้ล่าพี่นองสเสดเอิญสั่งกันนับมือไก่ไปแล้วว่ามันแก้วเสดเอิญสัสงไห่ฟุ้งมุทให้พีนองสีหัวเอินสั่งล่าว่าซันนับมือน้อนับมือแซงหมกักเผาสิไก่ห่างห้ามสวน พูถึงตรงนี้มันก็คิดถึงพี่น้องประเทศลาวขึ้นมาทันทีเนี่ยนะน้ําตามันจะไหลให้ได้คิดถึงเคยไปมาหาสู่กันนี่เสร็จแล้วมันเป็นไปดังที่คนโบราณนะพ่มันก็ไกลกันไดเอิรนสั่งกันเดี๋ยวนี้ข้ามไปมาหาสู่กันยังลําบากกันดุคนโบราณเมื่วานนับมือไกลกันแล้วว่ามันแก้วสี่ไดเอิรนสังไห้นับมือไทยปีหน่องสี่ไดเอิรนสังล้านับมือน้อนับมือแสงหมักเผาสี่เหลางห่ามสวนคือดังดําดวนหอมสีห่างกอไก่ต้นนับมือสนละว่นย่องเมืองกุ้ง หลั่นยา่หน้่ยพ่อปานสร้างหลักใหม่ไม่หยงตั้งแต่ปลายบ่ออยากบ่าตอนหายหลายอย่างล่างมันเข็นแมนว่าไพ่ไพกกะคงสเสหนคู่สุขชนทางบ้านการสิมาพ่ายหนาเทวดาองคใหม่ขอให้ไท่พี่น้องฟั่งแล้วให้หำห่อนเนธอนอันนี้คนโบราณท่านพูดเอาไว้สองข้อตอนหลังนี้ก็อขอพูด ลัดไปเลยเพื่อให้มันมั น, ม, นมันจบเรียบร้อยที่ภาษาบาลีว่าตะสาวกาเอลการนังพยาหิหลังจากนั้นก็มีอีกคำหนึ่งว่ากาตังสวรรณาปริวารยันติแต่สาวกานังเอลการนังพยาหิหมายกว่าว่าของคํานบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แก่กาอีกคำหนึ่งว่าเสื้อโค้งนบหนอบไหวขนาดเด็กงูงสามัน มันจะกลับกันดังที่กล่าวมาแล้วผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตรประเทศที่เคยใหญ่เคยโตอาจจะเล็กลงมานิดเดียวดังที่กล่าวมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้อยู่ตามกฎแห่งไตรรักษ์คืออ น, นิจจังความไม่เที่ยงทุกครั้งสิ่งที่แปลปวนด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งจะมีบคั้นกันที่เรียก ว, ว่าเป็นทุกข์หลังจากนั้นอนัตตาไม่มีอะไรตามใจใครย่อมเกิดเป็นเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันศาสนาจะเสื่อมตามหรือว่าจะเจ ร, จเริญรุ่งเรืองนั้น มันไม่ได้อยู่ที่การเวลาแต่มันอยู่ที่จิตใจของคนพูนับซื้อฝากธนาจะมีสินมีธรรมกันถ้าหากเราไม่มีสิลมีธรรมกันมันก็จะรีบเสื่อมลงปัญหาความฝันทั้งหมดที่เล่ามานี้ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดจริงตามนั้นตลอดเวลาใดเราสร้างเหตุปัจจัยที่มันถูกต้องดีงามขึ้นมามันก็จะเจริญขึ้นเพราะกฎแห่งไปรัก อ, อนิจจทุกขังอนาัตต น, นั้นมันมีคุณค่าทางจริยธรรมความชั่ว เราจะสร้างเป็นความดีด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่มันดีก็ได้ดีที่สุดอาจจะกลายเป็นชั่วก็ได้เพราะเหตุปัจจัยมันทั่วมันเพดไปเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าของเราท่านจึงกล่าวว่าทิ่ท่านเตนุปุเตจาริสเมจิตตังสมังพลังแม้เราตถาคตจะชงทรงพระชนมายุอยู่หรือว่าเราจะปรินิพานไปแล้วก็ตามหากผู้ใดตั้งออกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามสมังพลังจะมีผลอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับยังมีพระชนมายุอยู่